สิกขาบทที่6ว่าได้การบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาศิกขาเรื่องภิกษุณีหลายรูป1น9 5สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้หญิงที่มีครอบครัว มีอายุครบ12ปียังไม่ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีหญิงที่บวชเป็นภิกษุณีเหล่านั้นโง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพผลนธนาว่าจะนนพวกภิกษุณีจึงบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปียังไม่ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีเล่าครั้นแล้ว